มีผู้ชายคนหนึ่งนะจะเลี้ยงไก่ชนก็เลี้ยงหลายสิบตัวบอกกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีหมาในหมู่บ้านเป็นหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยสองตัวหลุดเข้าไปได้นะตอนกลางคืนนะแล้วก็ไปกัดไก่เนี่ยในฟาร์มของเขาเนี่ยตายไปเนี่ยสามสิบสี่ตัว ก็เลยว่าเกือบจะหมดเล่าไปเลยนะตัวเจ้าของเราเนี่ยเขาก็รู้นะว่าเป็นหมาของใครแต่เขาเลือกที่จะไม่เอาเรื่องทั้งทั้งที่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหมาที่มาไล่กัดไก่มีหลักฐานนะแต่ว่าแทนที่จะไปเอาเรื่องนะกับเจ้าของหมาเขาก็เลือกที่จะทําบุญนะ เอาไก่ที่ตายเนี่ยนะมาทำบุญทำแกงไก่เลี้ยงชาวบ้านไปเลยนะถือว่าทำบุญในวันแม่แล้วก็เป็นการทำบุญให้กับไก่ที่ตายจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไก่ชนนะเขาแค่รับจ้างเลี้ยง เลี้ยงเสร็จก็ส่งให้กับฟาร์มไก่ชนผู้เป็ น, เ, ปนเลี้ยงส่งเจ้าของไก่ชนเขาแค่รับจ้างเลี้ยงน ะ, ฉะเฉลี่ยละตัวหนึ่งก็ได้ประมาณพันบาทสามสิบสี่ตัวก็สาม0มืกว่าบาทสาหรับเขาก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะไปเรียกเอาทรัพย์จากเจ้าของหมาหมาคุณเนี่ยมากัดไก่ฉันตา ย, ยรวมแล้วเนี่ยสามหมืกับบาทต้องจ่ายนะเป็นค่าเสียหายฉันนะแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะรู้ว่าหรือคาดว่านะทำอย่างนั้นเนี่ยนะ เจ้าของหมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็คงจะไม่ยอมติเสธนะแล้วก็คงจะเกิดเรื่องทะเลาะบอาแวงกันและมันคงจะไม่จบเท่านั้นนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคงมีญาติพี่น้องมีเพื่อนพ้องให้ความขัดแย้งหรือ ความผิดใจกันเนี่ยระหว่างคนสองคนก็จะลามไปจนกทั้งกายเป็นความขัดแย้งในหมู่บ้านเขาคิดดูแล้วเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวเลยอันนี้ก็นับว่าเขานะมีทั้งน้ำใจนะแล้วก็มีความฉลาด คือเห็นว่าเนี่ยมิตรภาพเนี่ยนะมันสำคัญกว่าเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเรียกร้องเอาเงินนะก็คงจะได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะเจ้าของหมาก็คงจะผิดใจกับเขายอมจ่ายเงินเพราะจำนวนหลักฐานจานวนตอนหลักฐานแต่คงจะผิดใจ ก็เกิดความขัดแย้งกันก็กลายเป็นว่าได้เงินแต่ว่าเสียมิตรภาพแล้วมันไม่ใช่แค่เสียมิตรภาพมันก็จะเสียความสงบเย็นนะในชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนบ้าแล้วเนี่ยโอ้มันหาความสุขสงบเย็นได้ยากนะเดี๋ยวพระในหมู่บ้านที่ต้องเจอหน้ากันทุกวันแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าคนคนนั้นคนเดียวนะ ต้องเจอหน้าญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของเขาด้วยเขาคิดดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยได้เงินสามหมื่นนะแต่เสียเพื่อนแล้วก็เสียความสงบสุขไปอันนี้มันเป็นแบบอย่างที่น่าคิดนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเลยนะ มีบ้านอยู่สบายก็จริงนะแต่พ่ออยู่ร้อนนอนทุกเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านด้วยเพราะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะรั้วติดกันมีข่าวคราวเยอะมากเลยนะคนที่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านเสร็จ แ, แล้วก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอยู่เป็นประจำ บางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าพอผิดใจกันแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเช่นเปิดเพลงเสียงดังนะหรือว่าหมาเห่ากลางคืนนี่บางทีถึงขั้นทำร้ายกันเลยก็มีนะเพราะว่าพอทะเลาะกันแล้วลืมตัวอยากเจ้าชนะเสียงไม่สําเร็จหรือว่าเสียงแล้วแพ้วก็ไป กลับไปบ้านไปหยิบปืนมาหยิบมีดมาทำร้ายเพื่อนบ้านทำร้ายสำเร็จนะแต่ว่าไม่ชนะเพราะว่าท้ายก็ต้องติดนะคุกติดตารางไปหรือถึงไม่นะมันก็ไม่มีความสงบสุขในชีวิตแนะม้บ้านจะติดแอแต่จิตใจร้อมรุ่มในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านที่ดีนะโอ้จิตใจมัน สงบเย็นนะถึงแม่บ้านจะเล็กบ้านจะเก่าแอ่์ก็ไม่มีแต่คนที่พักอาศัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเพราะมีเพื่อนบ้านที่มีน้ําใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีอะไรก็เอามาให้บางทีก็ช่วยดูแลบ้านมีคนแปลกหน้ามาปวนเป็นอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนบ้านก็บอก บางทีโทรศัพท์นะไปบอกเจ้าของบ้านที่อยู่ไกลนะว่ามีคนแปลกหน้ามาปุ้นเปียนเรื่องที่มันไม่ใช่เฉพาะเพื่อนบ้านนะคนที่ใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นบินมอเตอร์ไซค์ในบางบ้านเนี่ยนะมีบินมอมีบินอบนอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆเจ้าของบ้านนี่เขาก็เมตตาเอื้อเฟื้อนะบินมอเตอร์ไซค์มีอะไรก็เอาไปให้ ทั้งที่ฐานะก็แตกต่างกันมากแต่ก็ไม่ได้มีความนะดูถูกว่าเป็นคนยากคนจนบอกว่าวินมาตรซ์นี่นะก็คอยดูแลบ้านนะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ล็อกประตูเลยนะทั้งที่อยู่สุขุมวิทนะสุขุมวิทนี่ก็เป็นย่านคนมีเงินนะแต่ว่าบ้านนี้นี่ไม่ปิดประตูนะไม่ล็อกใครเข้าใครออกก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเคยมีหลานจากเมืองนอกเนี่ยจอดรถเนี่ยบ้านแล้วก็จะเข้าไปในบ้านบองว่าวีมอรไซ์ถามเลยคุณเป็นใครมีธุระอะไรเขเลยบอกว่าเนี่ยเป็นหลานเจ้าของบ้านจะมาเยี่ยมป้าเจ้าของบ้านชื่ออะไร หลังก็ตอบถูกอางเ้ยเข้าไปได้โอ้นี่แรียกว่ากลายเป็นรอปรพอเลยรอปรพอหน้าบ้านทั้งที่บ้านนี้ก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่ได้จ้างรอปรพอที่ไหนแต่ว่าบินมอเตอร์ไซค์นี่เขาทําหน้าที่เหมือนกับเป็นรัว้วเป็นยามให้แล้วก็แบบนี้ก็ปลอดภัยนะทั้งวันทั้งคืนเพราะบินมอไซค์บินมอเตอร์ไซค์ก็ทํางาน ตลอดทั้งคืนอันนี้เลยว่าเป็นเพราะมีน้ำใจนะพอมองม้น้ำใจกันแล้วนะก็เกิดความอบอุ่นปลอดภัยมิตรภาพเพื่อนบ้านที่ดีเนะี่ยมันแข็งแรงยิ่งกว่ารัว้วหรือกำแพงที่แน่นหนานนะั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาจะนะให้ความสำคัญกับมิตรภาพหรือความเอื้อเฟื้อเกื้ อ, ก, อกูลกัน มากกว่าเรื่องเงินทองหรือว่าทรัพย์สินมีบ้านหลังหนึ่งนะเขาปลูกมะม่วงแล้วก็มะม่วงนี่ก็งามเลยต้นมะม่วงเนี่ยนะมันก็อยู่ใกล้กำแพงและกิ่งของมะม่วงเนี่ยนะมันก็ยื่นไปข้ามกำแพงเวลาหน้ามะม่วงนี่นะ มันก็มีลูกมะม่วงเนี่ยงามเลยนะเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นมะม่วงนะเห็นมามันย้อยมาใกล้ๆรั้วบ้างตัวก็สอยลูกชายของอีกบ้านหนึ่งนะที่เป็นเจ้าของมะม่วงเนี่ยเห็นก็ไม่พอใจนะลูกชายยุบมาสักสิบขวบไปบอกไปฟ้องพ่อวันเนี่ยเพื่อนบ้านนี่เขามาสอยมะม่วงของเรานะ พ่อเรียกไปจัดการเลยเขามาขโมยมะม่วงของเราพ่อนี่พอรู้นะบอกลูกนะอะลูกช่วยสอยมะม่วงหน่อยมางม่วงบางต้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่อยู่สูงนะลูกก็พอสอยได้ก็สอยได้มาเจ็ดแปดลูกนะแล้วก็บอกลูกว่าเนี่ยแบวถุงมาเอามะม่วงใส่ถุงแล้วก็บอกเอาลูกตามมา ก็เดินไปออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปเรียกเจ้าของบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านลูกก็คิดว่าเนี่ยสงสัยพ่อนี่คงจะไปเอาเรื่องเอาราวกับเพื่อนบ้านแล้วที่ไหนได้พอเพื่อนบ้านเปิดประตูมาที่แรกเพื่อนบ้านก็อึ้งนะเพราะว่ารู้ว่าทําผิดนะไปสอยมะม่วงของคนอื่นเขาแต่พอเจ้าของมะม่วงบอกว่าเนี่ยมะม่วงกำลังงามนะ ก็เลยเอามาให้เพื่อนบ้านก็จากที่หน้าบึ้งนะก็กลายเป็นยิ้มเลยขอบอขอบใจใหญ่เลยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักพักนะแล้วกลับไปที่บ้านกลับมาอีกทีก็เอาขนมมาให้บอกเนี่ยที่บ้านก็ทำขนมนะน่าจะอร่อยเลยเอามาแบ่งให้คุณบ้างก็ปรากฏว่านะแม้จะ เสียมะม่วงไปเจ็ดแปดลูกนะแต่ว่าได้ขนมใจสำเสียมันก็คือว่าได้มิตรภาพที่นั่นแฟนมากขึ้นเด็กชายเนี่ยก็ประทับใจมากนะว่าพ่อเนี่กำลังสอนว่าสินทรัพนะหรือว่าเงินทองเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพนะเขาจะใอยมะม่วงก็อย่าไปเสียได้นะให้เขาไปเลยแต่สิ่งที่ได้มาคือมิตรภาพ แล้วอาจจะได้อย่างอื่นด้วยคือน้ำใจในทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าเราให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเงินทองนะชีวิตเราเนี่ยจะสงบสุขสงบเย็นแล้วก็อาจจะปลอดภัยมากขึ้นก็ได้แทนที่จะถูกมิจฉาชีพมารบกวนรังควานหรือบางทีถูกเพื่อนบ้านทำร้ายเพราะทนเราเบาแวงกันก็กลับอยู่กันได้อย่างสงบเย็น